พุทโธสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะรายการสันสนีสนทนาค่ะดิฉันสันสนีนาผพง์นะคะก็จะมาพบกับท่านพร้อมๆกับพระมหาภัยบุ์อภิปุโนมฤป่าดอนหายโศอุดอนธานีท่านเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรนิรเลนอยู่ที่นั่นนะคะจะมาตอบคำถามธรรมะต่างๆที่ได้กล่าวเรียนถามท่านพร้อมกับนาพวกเราปฏิบัติธรรมเป็น มงคลแก่ชีวิตสูงสุดในแตละวันแต่ละวันก่อนหน้าที่เราจะยกทัพออกจากบ้านไปทำกิจทำการงานในแต่ละวันแต่ละวันนะคะเราไปกราบนมัสการท่านและปฏิบัติธรรมกันก่อนในการที่จะไปฟังการสนทนาธรรมต่อนมัสการกับท่านคะ่ะเชนพานเรามาเริ่มการปฏิบัติธรรมด้วยการที่ให้จิตเรานั้นผูกไว้อยู่กับเสาเขื่อน หรือเสาหลักของจิตเสาเขื่อนหรือเสาหลักของจิตนั้นก็คือสตินั่นเองเสาเขื่อนหรือเสาหลักนี้พระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบอไปเหมือนกับว่าถ้าเราจับสัตว์6ชนิดมีงูสุนัขบ้านสุนัขจิ้งจอกลิงนกแล้วก็จระเข้นะมาผูกไว้ด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งแล้วก็เอาปลายเชือกนั้นเนี่ยมาผูกไว้กับเสาเขื่อนหรือเสาหลักของเราต่ออีกที่หนึ่ง สิ่งที่เป็นสาตร์หกชนิดนั้นก็เปรียบเหมือนกับตาหูจมูกลิ้นกายและใจของเรานี้นั่นเองสิ่งเหล่านั้นจะพยายามที่จะมาฉุดดึงจิตของเราตาก็จะดึงจิตให้ไปหารูปที่น่าพอใจหนีรูปที่ไม่น่าพอใจหูก็จะดึงจิตของเราให้ไปหาเสียงที่น่าฟังหนีเสียงที่ไม่น่าฟังลิ้นก็จะดึงจิตของเราให้ไปหารสที่น่าลิ้มหนีรสที่ไม่น่าลิ้มชิมะจะเป็นลักษณะนี้ เหมือนเจ้าสัตว์หกชนิดที่พยายามจะกลับไปสู่ที่เที่ยวที่หากินของมันจะไม่ให้จิตของเรานไปตามทางนั้นคือถ้าจิตของเราไปตามทางนั้นเนี่ยมันก็จะขึ้นขึ้นลงลงสุกสุทุกทุกไปตามสิ่งที่มากระทบจิตเราก็จะตกเป็นธาตุจิตที่ตกเป็นธาตุนี้ไม่สุขแน่นอนจะมีความทุกข์แฝงมาเล็กน้อยบ้างมากบ้างเป็นลักษณะของจิตที่แตกไปถ้ายิ่งมีสิ่งมากระทบแรงๆจิตบางทีนี่แตกไปเลย บางคนก็จะกระฟัดกระฟริตกระด้างกระเดืองแสดงความกรธความขัดเคลองความไม่พอใจให้ปรากฏหรือว่ามีความร่ําให้ร ค, คร่ําครวนทุบบกชกตัวงุนงงคลั่งเผลอเราจึงจะต้องผูกจิตของเราไว้อยู่กับที่เสาเขื่อนเสาหลักนี้เสาหนี้ก็คือสตินั่นเองเราจะตั้งสติของเราขึ้นมาได้เอาให้เรามาสังเกตเห็นลมหายใจของเราดูหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆสักสองสามครั้งรับรู้ถึงสัมผัสไว้ได้ที่ไหน เอาจิตของเราเนี่ยตั้งไว้ที่ตรงนั้นการที่เราเอาจิตของเรามาตั้งไว้จดจ่อไว้มาเฝ้ารู้ดูอยู่เนี่ยพระพรทธเจ้าเปรียบเหมือนกับนายทวาร น, นายทวารหรือว่านายเฝ้าประตูยามหรือว่าผู้รักษาความปลอดภัยเนี่ยนะเหมือนกับที่นักฟุตบอลเขามาเฝ้าอยู่หน้าประตูโกลนี่แหละเขาก็จะคอยป้องกันนะไม่ให้สิ่งอะไรมันผ่านเล็ดลอดล่วงเข้าไปในะจิตของเราตั้งสติเอาไว้ดีนะให้ มาเฝ้าดูไว้เหมือนกับนายทวานที่เฝ้าประตูนี้เลยอะไรที่เข้าได้อะไรที่เข้าไม่ได้สิ่งที่เข้าไม่ได้ไม่ให้เข้าคือสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมทั้งหลายสิ่งที่เข้าได้คือสิ่งที่เป็นกุศลธรรมทั้งหลายเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามาตั้งสติรู้ดูอยู่กับลมหายใจเนี่ยเราอาจจะคิดถึงว่าเอ้ยวันนี้จะไปใส่บาตรที่ไหนหรือฉันจะทําทานที่นั่นเป็นเภาพกระตินที่นี่จะไปถวายบูชาที่นั้นการระลึกถึงตรงนี้เป็นสิ่งดีนะไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งไม่ดี ภาะวะการระลึกตรงนี้ก็เป็นจารกาอนุสติเป็นการระลึกถึงการที่เราจะไปให้ไปบริจาคแต่เป็นอนุสติอย่างหนึ่งเหมือนกันธรรมนาปนสติไปก็มีจารการอนุสติเข้ามาด้วยเหมือนกันก็เป็นฐานที่ตั้งให้เกิดสติได้เออเบางทีในขณะที่เรารู้ลมหายใจอย่างนี้ เ, เราเระลึกถึงพระพุทธเจ้าแฮ่เออท่านมีลักษณะมห ah าบุรุษ 3- ามประการเป็นคนมีความเมตตาเป็นคนมีใจกว้างขวา ง, วางโอ้ยนึกถึงแล้วสบายใจอันนี้ก็เป็นพุท ธ, ธา น, นุสติ เกิดขึ้นมาในขณะที่เราเจริญอาณาปาลนาสตินี่แหละความคิดเหล่านี้ก็ดีนะให้เข้าได้ผ่านได้ให้มีได้เราตั้งสติขึ้นไว้อย่างนี้จิตของเรานั้นจะไม่ได้ไปในทางต่ําไปในทางอากุศลแน่นอนถ้ามันไปทางต่าตไปทางอากุศลแล้วเอาเรารักษาจิตของเราให้ดีโดยการที่มาลึกถึงโลมหม้ใจด้วยโดยการจะเลิกถึงพระบรุตรเจ้าก็ตามระลึกถึงการให้การบริจาคก็ตามเครื่องมือเหล่านี้จะทําให้จิตของเรานั้นละสิ่งที่เป็นอกุศลได้ ให้จิตของเราเน้นไม่ไปเกลื้อกลั้วในเสียงในภาพในสิ่งต่างๆที่มากระทบเพราะจิตของเราเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยจิตนี้จะเป็นจิตที่พร้อมละที่จะมาเห็นตามที่เป็นจริงคําว่าพร้อมเห็นตามที่เป็นจริงเนี่ยหมายความว่ามันจะไม่ได้ไปแบบเห็นโดยความเป็นความลามํ า, าลเอียงในสิ่งที่เราชอบหรือในอคติในสิ่งที่เราไม่ชอบถ้าเรามีความลําเอียงในสิ่งที่เราชอบพอใจยินดีหรือมีอคติในคนนี้เขาทําไม่ดีกับเรามืก่อนมีอคติเนี่ย เราจะไม่เห็นตามที่สภาพนั้นเป็นได้แต่ก็จะเจอย่งเห็นตามไม่ตามที่เป็นจริงแต่ถ้าเราวางตรงนั้นได้แล้วมาเหนือจากการที่จะไปสุกไปทุกตามมันแล้วเราสามารถที่จะเห็นสิ่งนั้นตามสภาพที่มันเป็นเราจะเห็นความเป็นของไม่เที่ยงความเป็นอนัตตาลักษณะการเห็นตามสภาพที่มันเป็นของมันเนี่ยตามเนื้อผ้าไม่ได้มีความลำเอียงในทางชอบใจมีอคติในทางไม่ชอบใจวิเคราะห์ใครครวญอย่างดีแล้วเห็นตามเนื้อผ้า ตามความที่มันเป็นเนี่ยตัวนี้ก็เรียกเป็นวิปัสนาสติเนี่ยทำให้สมถะและวิปัสนาเนี่ยเคียงคู่กันไปบุคคลที่มีสติปัญสีก็มีมรรคแป ด, ด้วยมีสมถาวิปัสนาเคียงคู่กันไปด้วยเราสามารถทําสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นในใจของเราใหน้นใจของเราเนี่ยมันมีความอ่อนนุ่มอ่อนโยนมีความที่เรียกว่าให้ธรรมะเหล่านี้เข้ามาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจากสติที่เราตั้งขึ้นไว้ในตนเองจิตอวบฟังสามารถที่จะปฏิบัติได้อยู่อย่างต่อนเนื่อง ในขณะที่ฟังทำนี้อยู่จะทำกิจการงานใดๆบางคนกับรถบางคนนั่งสมาธิเต็มที่ก็สามารถที่จะทำต่อเ น, นื่องกันไปได้เจริญพรสาธุค่ะาการทำสมาธินั้นทำได้ตลอดเวลาและยิ่งถ้าทำตั้งสติได้อย่างต่อเนื่องสติก็จะเจริญขึ้นเรื่อยๆเหมื้นก้นเป็นกำลั ง, งมีกำลังมากขึ้น กำลังของสตินี้จะทำให้สมาธินี้ก็มีกำลังมากขึ้นนะคะกำลังนั่งพิจาจรณาคำถามของท่านฟังที่ถามมาเกี่ยวกับเรื่องของการทำสมาธิก่อนนอนหรือยิ่งตอนนี้เพิ่งตื่นนอนเลยนะคะนี่ถามเรื่องก่อนนอนเลยได้ไหมเอ่อคือผู้ถามคุณชานิดานะคะ บอกว่านั่งสมาธิก่อนนอนรู้สึกถึงการปฏิบัติว่าสมาธิดีมากแต่เมื่อจะนอนกลับนอนไม่ค่อยหลับและเมื่อหลับจะฝันเยอะมากพร้อมกับตื่นมาแล้วปวดหัวทุกเช้าที่ก่อนนอนนั่งสมาธิคือวันไหนนั่งสมาธิก่อนนอนเนี่ยจะมีอาการคือนั่งสมาธิดีมากแต่นอนไม่ค่อยหลับพอหลับแล้วจะฝันเยอะมากตื่นมาปวดหัว คำถามคือควรทำอย่างไรเจ้าคะควรจะนั่งแบบนี้ไปเรื่อยๆหรือควรเปลี่ยนเวลาไปนั่งช่วงเช้าและไม่นั่งก่อนนอนอีกเลยเจ้าคะรบกวนพระอาจารย์เมตตาด้วยเจ้าคะโอเคเอืมคือคือเนื่องจากข้อมูลมีเท่านี้นะอาตมาก็อาจจะตอบตามที่ที่คิดว่าพอจะเข้าใจแล้วกันนะ <c oughs> คือเรื่องของการที่คนนอนไม่หลับนี่มันอาจจะหลายสาเหตุอยู่นะล้วเราไล่จากเรื่องของยยาไปละเอียดก่อนนะ ใช่ไหมบางทีกินกาแฟมาก่อนไหมกินอะไรห ว, นหวานหานหรือเปลา่าหรือว่ามัน้อออกกำลังกายมากน้อยอย่างไรอันนี้มันเกี่ยวกันหมดเกี่ยวกันหมดแต่ว่าที่แน่แนก็คือว่าไอ้ถ้าสมมุติเรานั่งสมาธิก่อนนอนแล้วเราทําได้ดีเนี่ยอันนี้ดีแล้วนะเดี๋ยวเราจะค่อยมาพูดถึงว่าที่ว่าคุณทําสมาธิไดีเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราก็จะมาลงรายละเอียดตรงนี้แต่ว่าโดยหลักการแล้วเรื่องของการนอนว่าจะนอนหลับดีหลับลึกเนี่ยมันอยู่ที่หลายเหตุปัจจัยหลายเหตุปัจจัยอ่า การทำสมาธินี้อาจจะเป็นเหตุปัจจัยหนึ่งเรื่องอาหารการกินในวันนั้นสิ่งที่คุณพบเจอมาอคาเฟอีนน้ำตาลในเลือดโอจิปาฐะการออกกำลังกายก็ด้วยนะอันนี้อันนี้ต้องพิจารณาด้วยนะอันนี้ต้องมีข้อมูลตรงนี้ด้วยแล้วก็ตื่นมาปวดหัวทุกครั้งทุกครั้งเนี่ยอาจจะมาคิดว่าเป็นคำที่ว่า generalize เกินไปนะคือมันจะต้องมีสักครั้งที่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะ แต่มา<ใ> <ใน S 1> ไม่เชื่อว่ามันจะต้องเป็นแบบร้อเน่ะถ้าคุณเก็บสติจริงหรือเปล่าอ่าหรือว่าวันนั้นมีความเปลี่ยนแปลงในร่างกายอย่างไรบางทีผู้หญิงก็จะมีความเปลีๆๆย่ยนแปลงบางอย่างเนี่ยนะใช่แล้วก็ อ, อันนี้ก็ต้องพิจารณากรอบพวกนี้ด้วยนะอันทีนี้ถัดมาจากเรื่องของร่างกายใช่ไหม<ช>หรเรากำลังพูดถึงเรื่องจิตใจต่อไปว่าไอ้ที่นั่งสมาธิก่อนนอนเอาแค่ตรงนี้ก่อนคนที่จะมาสล่เวลานั่งสมาธิก่อนนอนจะสั้นก็ตามจะยาวก็ตาม กลัมานี่ยกนิ้วให้ละดีมากเพราะว่างานคารวาสคุณยมติ๋วแหมบางทีมันก็ทั้งวันนะกลับมานี่ก็หัวถึงหมอนล้มตึงไปเลยแต่ว่านี่ยังแบบอืยังมีความเพี่ยนนัเป็นสิ่งที่ดีมากอยู่แล้วนะแล้วก็อทําอย่างนี้เราจะได้อะไรถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้สมาธิเลยคือแบบโอ้ยนั่งไม่ได้แล้วก็แบบฟุ้งซ่านอะไรต่างๆก็ตามนะแต่สิ่งที่เราจะได้คือกําลังความเปลี่ยนได้แน่นอน คือไม่ได้อะไรก็ต้องได้อะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะแต่ถ้าไม่ได้สมาธิกุนก็ได้ความเปลี่ยนแต่ถ้าไม่ได้ความเปลี่ยนกุนก็ได้ศรัทธาแต่เพราะว่าคุณมีศรัทธาในทางคำสอนของพรุทธเจ้าเนถึงได้แบบม า, มานั่งกู้ขาก่อนที่จะนอนอย่างเงี้ยแต่จะสั้นก็ตามยาวก็ตามคุณต้องมีศรัทธาแน่กําลังคือศรัทธาเราก็เพิ่มขึ้นมาแต่กำลังคือความเปลี่ยนเราก็เพิ่มขึ้นมาแต่กําลังสติกําลังสมาธิอาจจะยังไม่มีอย่างน้อยก็เรา ย, ยัางได้ศรัทธาเรายัางยได้ความเปลี่ยนยี้ต่อไปว่า รู้สึกว่าปฏิบัติได้ดีมากสมาธิดีมากนะครับว่าสมาธิดีมากนี่ก็คงหมายความว่าจิตเป็นอารมณ์เดียวมีความสุขที่เกิดจากสมาธิอันนี้ดีแล้วนะอันนี้ดี <S <S ประเด็นก็คือว่ า, าถ้าเราทําในลักษณะนี้ได้แล้วเรามีสติในสมาธินั้นไม่ไปเกลือกลัว้วไม่ไปยินดีไม่ไปลุ่มหลงอันนี้ดีมากแต่แต่แต่ถ้าไปเกลือกลัวยินดีรุ่มหลงในความสุขที่เกิดจากสมาธินั้นอันนี้ไม่ดี เพราะว่าถ้าเราไปลุ่มหลงยินดีเกลืกรั่วพอใจในความสุขที่เกิดจากสมาธินั้นเนี่ยเวลาเราไม่ได้เราจะจีดเวลาเราไม่ได้เราจะจีดเราจะไม่พอใจเอ๊ะทำไมวันนี้มันได้วะพรุ่งนี้ไม่ได้เว้ยหรือเมื่อวานได้วันนี้ไม่ได้มันจะมีความไม่พอใจเพราะอะไรเพราะเมื่อวานเราแบบไปยึดถือมันแล้วเราไปแบบพอใจมันแล้วพอวันนี้ไม่ได้ก็เลยมีปัญหาเ่พราะนั้นคำว่าสมาธิดีเนี่ย ก็มีเวทนาหรือเวทนาระ ง, งับไปละเอียดขึ้นแต่ว่าอย่าให้มีความยึดถือยินดีในสิ่งนั้นซึ่งไอ้ความยึดถือยินดีในสิ่งนั้นเนี่ยมันก็ทำให้อาจจะเป็นประเด็นที่ให้นอนไม่หลับหรือว่าฝันไปเรื่องอื่ น, นไปเพราะว่าตัณหามันพอบผุนขึ้นคือมีสมาธินะคุณโยมถึงมีสมาธิแต่ตัณหาพอกูนขึ้นก็จไหมคืออาสวะเป็นลักษณะว่าเป็น อวิชานุสัยพ่อปุ่นขึ้นได้เพราะว่าอย่างสมาธิของอพวกก่อนที่จะมีคำสอนของบระเจ้ า, าอย่างเงี้ยอย่างอารหันดาบทถอย่างเงี้ยท่านก็ได้สมาธิลึกนะแต่สมาธิของท่านเนี่ยไม่ได้ตรัสรู้ได้ไงมไม่ได้ทำให้เกิดปัญญาอันนี้ก็ถ้าไม่มีความยึดถือมีอวิชานุสัยมีระการนุสัยได้ซึ่งตรงนี้มันอาจจะทาให้มีความฝัน เป็นไปได้เพราะว่าอนุสัยมันพอกปูนขึ้นนะทีะนี้ก็มาวิเคราะห์ประเด็นต่อไปที่บอกว่านอนไม่ค่อยหลับคําว่านอนไม่ค่อยหลับเนี่ยมันก็จะมีอยู่ลักษณะ2อาการ่คือนอนไม่หลับจริงๆตื่นมาแล้วเพลียอันนี้คือแบบลักษณะของอินซอมเนียคือร่างกายไม่ได้รับการพักผ่อนแต่จะมีอีกกรณีหนึ่งก็คือว่าคนที่ฝึกสติมาอย่างดีมากๆเนี่ยอย่างลหลายๆคนที่มาฝึกปฏิบัติที่วัปดป่าดอไหนโศกเนี่ยจะมีอาการอย่างนี้ก็คือว่า ถึงเวลานอนก็ไปนอนคือแบบแบบฝึกมา3าสี่วันแล้วนะพวกนี้เขาสร้างเหตุปัจจัยมาดีมีการทำอย่างต่อเนื่องนะพอไปถึงเวลาจะไปนอนก็เองกายนอนอยู่แต่ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองหลับไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองหลับแบบตื่นอยู่ตลอดทั้งคืนเลย <c oughs> จนถึงตีสามก็รู้สึกตัวได้เวลาลูกกับลุกขึ้นมาอย่างเงี้ยนะ <c oughs> พอลุกขึ้นมาแล้วก็เหมือนกับไม่ได้นอนเพราะว่ารู้สึกตัวตลอดทั้งคืนแต่พอลุกขึ้นมาแล้ววันนั้นก็ไม่ได้เพลียไม่ได้รู้สึกง่วง ประเด็นก็คือว่าร่างกายเนี่ยได้รับการพักผ่อนอยู่แต่ว่าไอ้ความรู้สึกที่เหมือนกับหลับไปเนี่ยมันไม่มีเพราะอะไรเพราะจิตของเราตื่นอยู่ตลอดตื่นอยู่ด้วยสติอยู่ตลอดในการตื่นตรงเนี้คือกําลังของสตินั่นเองแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่ได้รู้สึกว่าหลับแล้วจะทําให้ร่างกายไม่ได้รับการพักผ่อนอันนี้เป็น2เรื่องที่ต้องแยกกันแตร่างกายได้รับการพักผ่อนนี่ก็อันหนึ่งจิตเอามันจะตื่นหรือมันจะหลับนี่ก็อีกอันหนึ่ง อันนี้นะต้องแยกกันตรงนี้นะค <Okay. S 1> ่ะทีนี้คําถามของคุณชาณิดาก็คือว่าอา้าวแล้วจะทํำยังไงดีเนี่ยถึงเวลานอนก็จะนอนไปเลยดีไหม <c oughs> แล่วพรุ่งนี้เช้าค่อยมาทําตอนเช้าหรือ <c oughs> ว่าก็ฝืนไปทําไปแต่ก็อย่างที่อาตาบาบอกตอนแรกว่ามันไม่ได้อะไรอย่างหนึ่งมันก็ต้องได้อย่างหนึ่งแต่เพราะฉะนั้น <c oughs> คําแนะนําก็คือว่าให้เราทําต่อให้เราทําต่ออันนี้มันแสดงถึงความที่ความต่อเนื่อง หรือว่าความไม่ขาดสายในความที่ยังชำนาญเนี่ยมันยังไม่มียังไม่มีความชำนาญแต่ถ้าทำชำนาญแล้วใะความต่อเนื่องความผลของมันที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็จะได้ดีในเพรา ะ, ะนั้นเราฝึกทำให้ชำนาญฝึกทำให้ชำนาญเราก็ต้องลองดูเรื่องนี้ก็ลองทดลองดูบางทีทำไปเอ้ยมันไม่เวิร์คเอ า, เาก็ลองเปลี่ยนไปทำตอนเช้าตอนกลางคืนก็นอน เร็วขึ้นหน่อยหนึ่งตอนเช้าก็ตื่นก่อนเวลาสักหน่อยหนึ่งเพื่อแทนที่จะปฏิบัติกลางคืนก็ปฏิบัติตอนเช้าจะดีกว่าอย่างนี้ก็ก็ลองดูวันไหนมันจะเวิร์กก็เอาแบบนั้นน่ะค่ะท่านค่ะดิฉันสงสัยในส่วนของเรื่องจิตตื่นเนียน่ยคือเหมือนกับอย่างที่ท่านพูดว่าถ้าทำสมาธิบางคนทำได้ดีๆก็จะเหมือนกับอนอนไม่ได้ไม่ได้นอน ไม่ได้หลอืไม่ได้หลับไม่ได้หลับเพราะจิตตื่นแต่ว่าไม่ได้เหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียอืมอยู่ในท่า น, นอนอยู่ใช่ไหมอืมค่ะอ่าดิฉันเองเคยมีประสบการณ์คล้ายๆอย่างเนี้ยนะคะแต่นี้นี้เกิดความสงสัยในกรณีที่สมมติฮ่าผู้ถามเนี่ยอาจจะจัดได้ว่าอยู่ในผู้ที่มีจิตตื่นหรือเปล่าเพราะนั่งสมาธิดีแต่ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วทําไมถึงปวดหัวอ่าทำไมถึงฝันเยอะแยะก่อนออนะคะ เราถึงปวดหัวค่ะฝันนี้ก็ฝันได้คือคิดไงเหมือนคือเหมือนเราคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างเงี้ยแล้วคิดว่าจะไปทํานั่นทำนี่มันก็อาจจะเป็นไปได้อืมใช่อ่าแต่นี้ทําให้อาตมาท่านข้อสกเกิไว้ที่ปวดหัวมันเป็นอย่างอื่นหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่ยังปวดหัวถ้าปวดบ่อยๆปวดทุวนทุกวันอันนี้ดิฉันว่าต้องไปหาหมอก่อนนะคะประธานโทษนะคะคือคิดว่ามันอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องของสมาธิอืมก็ได้ถ้าเกิดอย่างที่ท่านอาจารย์บอกว่า เอันนี้เป็การพูดแบบเหมือน generalize คื อ, อพูดเป็นรวบยอดนะคะแต่ในข้อเท็จจริงจริงๆนะ่ยคงไม่สม่ําเสมอขนาดนั้นอืมใช่อ่าแต่ถ้าคนที่เป็นอะไรอย่างเงี้ยต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่อ ง, อองแล้วเป็นอาการผิดปกติของร่างกายไปพบแพทย์ด้วยก็ดีใช่เนอะมันอาจจะเป็นอาการเรื้อรังสักอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะอเงี้ยแล้วมันก็มาประจบเหมาะกันพอดีแต่ทีนี้ว่าในในเรื่องการฝึกจิตเนี่ยทําให้สม่ําเสมอ เดี๋ยวเราจ ะ, จะได้กำลังแต่กำลังคือข้อวาดกำลังคือวิริยะกำลังคือศรัทธาตรงเนี้พอมันเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยสมาธิเรามีกำลังขึ้นแต่จิตเราดีขึ้นทําให้การปรุงแต่งทางกายเนี่ยเหมืนอน จ, จะระงรับลงโรคบางโรคก็อาจจะหายได้โดยควรแก่ฐานนะโดยเฉพาะเรื่องความเครียดอะไรต่างๆจะช่วยได้ใช่ซึ่ง ที่ได้ยินมามักจะเป็นเรื่องของการนั่งสมาธิแล้วช่วย ห, หายเจ็บไข้ได้ป่วยมากกว่าทําให้เกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะ อ, อันนี้อ่าถ้าพูดถึงเวลาคนเขาเขียนเรื่องข้อดีของการทําสมาธิเนะี่ยส่วนใหญ่จะปรากฏออกมาเป็นแบบนี้อซึ่งก็ไม่แน่นะคะอาจจะมีบางอย่างสมาธิบางประเภทที่ทําให้ให้เกิดอาการไม่สบายได้อาจจะทําผิดเนี่นะคะหรือว่าทําแบบไม่พอดีก็ อลอ ง, ลองดูประสบก<ด>ารณ์ของอตัวเองอย่าการดิสชนอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าไปเคร่งเครียดกับลมหายใจมากเกินไปบางทีก็ไม่สบายเนี่ยอ่าตรงนี้ก็เป็ น, านารายละเอียดอารายละเอียดของการปฏิบัติว่าถ้าเราบังคับจิตของเราเกินไป<ช>แต่บังคับเกินไปมันก็อาจจะทําให้มีความเคร่งเครียดเครียดกระต้นตรงนั้นได้อันนั้นเท่ากับบังคับจิตมากเกินไปบังคับจิตใจร่างกาะ การบังคับนี่พระพุทธเจ้าจะจะเปรียบกับจับนกกระจาบด้วยมือสองมือ mm. แตถ้าจับแน่นเกินไปนกก็ตายคามือแต่ถ้าหลวมเกินไปนกก็บินหนีไปได้แต่เพราะนั้นคําที่ที่จะใช้ควรจะใช้เนี่ยนะคำ oh. ตรงนี้เนี่ยคือถ้าเราบังคับใช่ไหมต้องไม่คิดนะหรือต้องคิดเรื่องนี้หรือต้องอยู่กับลมหรือต้องอะไรเงี้ยนะนี่คือบังคับนะคือบังคับนะมันก็จะแบบปวดหัว <Okay. S 2> แต่ถ้าบอว่ายังก็ปล่อยมันเต็มที่แล้วปล่อยไปมัน ไ, ไปคิดอะไรก็คิดไปอันนั้นก็ไม่ได้และก็เหมือนกับจับน ก, กจับแน่นเกินไปหรือว่าจับล้วงมือเกินไปเพราะฉะนั้นก็ต้องจับพอดีพอดีคําว่าจับพอดีพอดีตรงเนี้ก็คือมีการควบคุมแต่ไม่ถึงกับบังคับแต่ก็ไม่ถึงกับปล่อยมันหนีไปใช่ไหมมันจึงเป่องขอควบคุมคําว่าควบคุมตรงนี้เป็นจับที่อาตมาใช้เองนะ <Okay. S 2> อันนี้อาตมาเป็นอัตถกาษานะ ใช่เอง mm hmm. แต่ศัพท์ที่พระพุทธเจ้าใช้ท่านจะใช้คําว่าชานชาน mm hmm. ช่อกระเชยเสรละอานอนหนูนี่แหละ <Okay. S 1> นอนหนูบ้างนอนเนนบ้างเนี่ยหมายถึงการเพ่งแต่คือถ้าแปลตรงตัวมาภาษาไทยเลยนะคือเพ่งแต่พอใช้คําว่าเพ่งเนี่ยในภาษาไทยมันกลายเป็นมีความหมายแบบบังคับเอาเนี mm ่ย hmm. ตอนนี้พอมาอยู่ในโดเมนของภาษาไทยเนี่ยอันมาจึงใช้คําว่าบังคับไว้สําหรับแบบแบบบังคับขู่เขน็นอันนั้นไม่เอา แต่ว่าเอาใจจดจอ่อนีอจจจอ่คือการควบคุมตรงนี้เอาใจจดจ่อคือการควบคุมตรงนี้แต่ก็ไม่ถึงกับปล่อยทิ้งปไปไหลไปไม่เอาเอาควบคุมไว้ให้ดีแต่ด้อยการอ เ, เอาใจมาจดจ่่อยู่กับลมแต่ด้วยการเอาใจจดจ่่อยู่การระลึกถึงพระพุทธเจ้านี่คือมีการควบคุมแต่ไม่ใช่แบบบังคับเอาเลยเต้องอยู่กับลมไหมนะไม่ได้เลยไม่คิดอะไรอย่างงี้นะก็ไม่ขนาดนั้นกันนะเพราะนั้นสัพท์ที่พระพุทธเจ้าใช้แม่บทเดิมของท่าน ท่านใจคำว่าชาญตรงนี้นะคะก็กลับไปหาพุทถกพดแล้วก็น่าที่จะทำให้เราสามารถาปรับเจาจุดความพอดีอของตัวเราเองได้ใช่แล้วลักษณะที่คำถามของคุณชานิดาเนี่ยอันนี้ทำให้เราเห็นว่ายังมีความมีความพอใจละในการที่จะทำใช่ไหมแต่ยังหาจุดสมดุลแห่งธรรมเนี่ยไม่เจอ ในยังหาจุดสมดุลแห่งธรรมเนี่ยยังไม่เจอค่ ะ, ะคือถ้าสมมติเราเคยเสร็คบพุทธพจน์เนี่ยเราก็จะคุ้นเคยกับเรื่องชาคริยธรรมอืมใช่ที่พระพุทธองค์ได้ตรัสถึงเวลาที่ควรแก่การปฏิบัติอะไรบ้างระหว่างเดินจงกรมกันั่งสมาธิถ้าอาจารย์พอจะเล่าให้ท่านฝังฟังได้ไหมคะว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไรชาคริยธรรมเนี่ยคือแปลว่าทำอันเป็นเครื่องตื่น ชากเกลียร์นธธรรมนะ <Okay. S 1> คือข้อปฏิบัติในการให้ตื่นตื่นเนี่ยคือแบบตื่นตัวคือไม่ใช่ว่าไม่นอนตื่นเนี่ยคือไม่ใช่ว่าไม่นอนแต่นอนอยู่แต่นอนยังไงนอนยามเดียวแล้วที่เหลือทํายังไงตื่นตื่นแบบไหนที่ว่าตื่นเนี่ยก็ให้มีการปฏิบัติในการที่จะเอาไอ้เจ้าสิ่งที่ไม่ดีคือพวกกิเลสออกไปจากใจของเรานะคือคําว่าชากเกลียร์นธธรรมเนี่ยคือเน้นตรงที่ว่าให้มีการตื่น คำว่าตื่นนี่ก็คือนอนอยู่เดี๋ยนอนอยู่แต่ว่านอนยามเดียวนอนยามไหนก็นอนในยามกลางของราตรนะียามต้นของราตรีเนี่ยคือพระาที่ตกดินแล้วบางทีเราอาจจะต้องทํากิจนั่นกิจนี่ก็กทําไปใช่ไหมแต่ว่าพอกิจเสร็จการงานแล้วก็นอนทีนี้นอนนอนยังไงถึงจะเรียกว่าอยู่ในความตื่นนะก็ต้องก่อนนอนเนี่ยต้องมีสตินะคำว่าสติเนี่ยให้ตั้งไว้ตรงไหนนะก็คือตั้งไว้ในลักษณะที่ว่า เออจะไม่ให้บาปอากุศลธรรมของเราเนี่ยตามไปในขณะที่เรานอนอยู่นะแล้วรู้สึกตัวเมื่อไหร่จะลุกขึ้นทันทีนะก่อนนอนก็ตั้งจิตว่ารู้สึกตัวเมื่อไหร่จะลุกขึ้นทันทีนะใ ห, ใ, ห ใ, หให้คิดคำนี้ดีนะคือ <Okay. S 1> บางคนเนี่ยรู้สึกตัวปุ๊บใช่ป่ะขอนอนต่ออีกสิบนาทีนะ mm hmm. ไอ้นี่คือไม่ใช่ชาคริยธรรมนะค่ะ <Okay. S 1> คือยังตามประกอบความสุขในการเองข้างความสุขในการนอนความสุขในการเคลื่อนหลับอยู่ เดี๋ยวคจะเป็นอย่างเงี้ยคุณให้กําลังกับไอ้เจ้าถีนามิตาแน่กาลังกับไอ้เจ้าความง่วงซึมตีนามิตาใช่ไหม <c oughs> คือบางทีบางคนนั่งสมาธิเนี่ยมันชอบหลับอยู่เรื่อยไม่รู้เป็นเพราะอะไรอจจไันแสดงว่าอาจจะมีนิสัยนี้ยังไม่ได้แก้ไขอ่าพอถึงเวลาลุกแล้วไม่ยอมลุกลุกแล้วไม่ลุกเนี่ยมันก็ไปเพิ่มอาหารให้นิวรณ์ของคุณเจาะจงลงมาที่จงตัวตีนามิตานี่เลยค <c oughs> ่ะอ่าทีนี้เอ่อเข้าไปดูบิที่ว่าชาคลเรียนธรรม เอาตรงรายละเอียดตื่นก่อนนอนก่อนน ะ, ะที่บอาเอางั้นเราก็ทําสมาธนะิด้วยการตั้งจิตว่าบาปอกุศลธรรมอย่าให้ตามเราผู้นอนอยู่นะแล้วก็น้อมจิตไปเพื่อการนอนแล้วก็ตั้งจิตว่าเอารู้สึกตัวเมื่อไหร่จะลุกขึ้นทันทีนะนอนท่าไหนพระพุทธเจ้าก็บอกรายละเอียดด้วยว่านอนตะแคงขวานะซ้อนเท้าเหลื่อมเท้ามีสติสัมปชัญญะทําความกําหนดหมายในอันที่จะลุกขึ้นแต่ตรงนี้สําคัญมีสติสัมปชัญญะ ทำความกําหนดหมายในอันที่จะลุกขึ้นสามารถสั่งได้เลยว่าคุณจะตื่นกี่โมงสมมติว่าต้องอาถูกต้องเี่ย ต, ต้องตื่นตีสี่อย่างเงี้ยพอเรากําหนดมาว่าอฉันจะตื่นตีสี่นะฉันนอนไปด้วยสติเนี่ยถ้าประมาณตีสามห้าสิบเนี่ยเหมือนหรือตีสามสิบห้าเนี่ยจะลืมตาปึ้งขึ้นมาเลยเอ้ยเราจะลุกดีไหมอลองลุกขึ้นมาแล้วกันนะไม่ก็นอนต่อโอ้ก่อนตีสี่อย่างเงี้ยก็จะเป็นอย่างนั้นอันนี้คือคก่อนนอนเนี่ย ก็ให้กำหนดหมายว่าอาจจะลุกขึ้นตอนไหนมีสติสัมปชัญญะทำความกำหนดหมายในอันที่จะลุกขึ้นแต่ <Okay. S 1> พอรู้สึกตัวแล้วก็ลุกขึ้ น, นลุกขึ้นเลย่ไม่คอนอนต่ออีก5้นาทีสิบนาทีอันนี้ไม่เอาแล้วจะเสริมอาหารให้เจ้าตีนะมิทะแต่พอเราลุกขึ้นปึ้งเนี่ยธีนะมิทะมันจะอ่อนลงอ่อนแรงลงแ <Okay. S 1> น่นอนอย่างบางทีตอนนั้นมันก็ยังซึมซึมลือซลืออ ย, อยู่ใช่ปะ่ะ <Okay. S 1> แต่ลุกขึ้นเลยแต่ทีนี้ลุกขึ้นมาแล้วทําอะไร ลุกขึ้นมาแล้วเป็นยามสุดท้ายของราตรีนะก็ให้มีความตื่นในความตื่นเนี่ยคือก็เพลียนเผากิเลสอยู่ตลอดด้วยเรียบทเดินบ้างนั่งบ้างในช่วงของเวลาที่เราตื่นอยู่ดะนั้นการประกอบอยู่ในธรรมมันเป็นเครื่องตื่นเนี่ยคือไม่ใช่ว่าไม่นอนแต่ว่าตื่นอยู่ด้วยสติที่มีอยู่ในระหว่างวันตื่นอยู่ด้วยสติที่เราก่อนนอนเราตื่นอยู่ด้วยสติพอ มีความรู้สึกตัวขึ้นก็ลุกขึ้นเลยก็ตื่นอยู่ตลอดอย่างนี้น ะ, ะ, ะสำหรับทาที่เป็นเครื่องประกอบแห่งการตื่นหรือว่าชาคัลยานุยโยกเนี่ยนะคะเ บ, บานฟังดูเหมือนกับว่าไม่ได้แบ่งเพะๆว่ากี่โมงถึงกี่โมงคือยามไหนหรื อ, อยังไงค ะ, ะหรือว่ามีแบ่งแบ่งไว้แบ่งอยู่ไว้ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ช่วงสี่ช่วงโดย 3, สาม อ่าสามช่วงแรกแเอากลางคืนก่อนนะกลางคืนพระพุทธเจ้าจะแบ่งสามช่วงคือยามต้นในะยามต้นแห่งราตรียามกลางแห่งราตรีและยามปลายแห่งราตรีในะในราตรีเนี่ยสิชั่วโมงนะแบ่งเป็น3ามชั่วยามสามชั่วยามในสามชั่วยามนี้หมายความว่าถ้าอาทิตย์ตกแล้วเนี่ยเรารู้เห็นชัดเจนแน่นอนถูกไหมคือถ้าสมมติว่าเราบอกว่าเอายามเดียวเลยตอนกลางคืนเนี่ยก็คือ นอนไปเลยแต่ไม่ใช่เราก็ต้องมีกิจการงานอย่างอื่นทําไปก่อนบางทีนะ่ะทําตอนไหนก็ตอนยามแรกแต่เวลาตื่นต้องตื่นก่อนพระอาทิตย์ขึ้นนะเพราะฉะนั้นช่วงที่คุณตื่นก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยแล้วคุณทํางานน้ํางานนี้ได้เนี่ยไอ้ตรงนั้นเขาเรียกว่าช่วงยามสุดท้ายของราตรีทีนี้ถามว่าไอ้ช่วงยามที่1กับยามสุดท้ายยามแรกกับยามสุดท้ายที่คุณจะตื่นเนี่ยนะแล้วคุณต้องทํำนั่นทานี่เนี่ยก็ต้องแยกเป็น2 อ, อย่างว่า แล้วมันมากหรือน้อยอช่วงยามแรกยามสุดท้ายเนี่ยมันเท่าไหร่ ก, กี่ชั่วโมงอันนี้ก็แล้วแต่คนไงบางคนจะแบ่งยามแรกามากหรือน้อยอาจจะไม่เท่ากับยาม2หรือยามปลายอ๋ออ่าก็แล้วแต่จะแบ่งน ะ, ะแล้วถามว่าทํานั่นทํานี่ทําอะไรเนี่ยทำนั่นท ำ, น, ท ำ, นะทำ น, น, นี่ก็ต้องทําสิ่งที่ให้เกิดสติจะด้วยเอรียบดเดินเ อ, อรียบดนั่งจะฟังธรรมหรืออะไรก็ออกบ้ากันไปนะแต่ต้องทําสิ่งที่ให้เกิดสติ ด้วยอิริบอดใอิริปอดหนึ่งนะอาจจะอาบน้ำอาจจะกินข้าวอาจจะไม่วินิจบาทก็แล้วแต่ในกิจกรรมตรงนั้นแต่ต้องเป็นกิจกรรมที่ทำให้เกิดสติแล้วก็จะสั้นหรือจะยาวก็แล้วแต่คนเพราะนั้นเอาสมมติว่าแฝงเท่า ๆ, ๆกันเท่าๆกันใน12ชั่วโมงในเวลาราตรีเนี่ยกยมแรกก็6โมงถึง4ทุ่มแนะยามกลางก็4ทุ่ถึงตี2 ยามปลายก็ตีสองถึงหกโมงชา้าอย่างนี้แต่แต่ละคนนี่คือ generalize นะแต่แต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันแต่อย่างอามาเนี่ยแบ่งไงก็จะถึงประมาณสักสามทุ่มครึ่งณยามต้นของราตรีนะค่ะยามกลางนี่ก็จะถึงประมาณสักตีสามยามกลางถึง 3. ตีสามตีสามถึงหกโมงเช้านี่จะเป็นเวลาที่ยามปลายแล้วจะลุกละเนะพราะฉะนั้นอานามา ก, ก็จะนอนประมาณสักห้าชั่วโมงค่เกือเกือบหกชั่วโมงเนี้่ย ขัานคะแล้วแบ่งแค่สิบสองชั่วโมงนี้ไม่ไปยุ่งกับอีกสิบสองชั่วโมงนะอ่าแล้วอีกสิบสองชั่วโมงที่เหลือที่เป็นกลางวันนี่คือจะเป็นส่วนที่สีที่พระพุทธเจ้าเนี่ยจะไม่ได้แบ่งให้ว่าเป็นยามต้นแห่งทิวาคือกลางวันไม่มีมจะไม่ได้มีศัพท์นี่คือจะเหมารวมไปเลยเพราะอะไรเพราะว่ากลางวันเนี่ยมันมีกิจการงานหลายอย่างกิจการงานหลายอย่างทําจีวรบ้างไปวินบาศบ้าง ทำนวกรรมบ้างหรือมันจะหลายอย่างเพรา ะ, ะนั้นท่านจะไม่ได้แบ่งให้คือมันต้องไปทำงานอะ่ะเพรา ะ, ะนั้นทำงานตรงเนี้ยทำงานอะไรก็ได้ให้มันมีสติทำงานด้วยสติค่ะตรงนี้สำคัญเลยค่ะนี้สำหรับพระหรือว่าสำหรับาราวาสครับท่านคะเอ่อได้กับทุกคนหมวดธรรมนี้จัดไว้ตรงไหนก่อนในหมวดธรรมที่เรียกว่าชาคลียานธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าจัดไว้อยู่ในสองหมวดหมวดแรก เรียกว่าเป็น Abi อัปันนกะปฏิปทาอปันนากะปฏิปทาแปลว่าข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดที่เมื่อปฏิบัติแล้วไม่อาจจะเสื่อมเสียมีแต่จะดีท่าเดียวฟังแล้วเข้าท่านะมาว่าอัปันนการปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดที่เมื่อปฏิบัติแล้วไม่อาจจะเสื่อมเสียมีแต่จะดีท่าเดียวมี3มอย่างนะหนึ่งคือใช้ข้อเทียนธรรมนี้2คือการรู้ประมาณในการบริโภคและ3คือการสำรวจบัญชีสามอย่างเนี้ยคุณทําที่ไหนคุณไม่มีทางผิด เป็นได้สมมติคือจะบอกว่างั้นตอนเราต้องไม่นอนเอ่อก็ก็นอนก็ได้มันก็ไม่ผิดแต่หมายความว่าด้วยชากะเรนะธรรมนี้นะค่ะนี่คือหมวดที่1ที่พระพุทธเจ้าจะจัดธรรมะนี้ลงมาถึงตรงนี้แล้วก็หมวดที่2จะเรียกว่าเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิทํำให้เราทําชากะเรีนธรรมเนี่ยสมาธิยังไม่เกิดแต่ว่าเป็นข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาที่เราจะทําได้นั่นะคือศีลใช่ไหม สีเนี่ยมันจะคุมกายคุมมาจดาสีหน้าเนี่ยเอาสีหน้าธรรมดาทีนี้ข้อปฏิบัติอะไรที่เป็นไปในทางกายแต่ว่าสมาธิยังไม่เกิดนะก็จะมีขั้นตอนหนึ่งตรงนี้เรียกว่าเป็นศีนที่เป็นไปเพื่อสมาธนะิสีที่เป็นไปเพื่อสมาธินี่มีอะไรบ้างนะหนึ่ก็จะเรียนธรรมนี่ใช่ไหมสอก็เป็นผู้ที่มีสัมปชัญญนะรู้ตัวรอบข้าในการกล้าไปข้างหน้ากาันแต่กลับไปข้างหลังรู้ตัวรอบข้าในการ赖ดูเหลียวดู นี่กรียกมีสัมปชัญญะสามก็เป็นผู้ที่รู้ประมาณในโภชนะสี่เป็นผู้ที่สำรวมมินรีย้าเป็นผู้ที่อยู่เซนัสเนอสง่าตหเป็นผู้ที่ฟังทำอยู่เนืองนิดหรือ7เป็นผู้ที่สันโดษในบริการแห่งชีวิตเป็นผู้ที่เลี้ยงง่ายอยู่ง่ายกินง่ายผู้นี้จะเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อเขาเรียกว่าเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิแล้วก็จะถึงค่อยเป็นสมาธิถ้าคุณละนิวรณนได้ เราละนิวรณ์ได้ก็จะเป็นสมาธิมีสมาธิแล้วก็จะเป็นปัญญาไปค่ะนิวรณ์เครื่องกลางกั้นใช่ใช่ก็จะมีง่วงเหงาหานอนอย่างที่ท่านได้กล่าวไปอย่างหนึง<ช>่งมีความลังเลสงสัยแล้วมีอะไรอีกนะคะมีความเพ่งเล็งในกามค่ะแวความพยาบาทแล้วก็ความฟุ้งซ่านทําการใจครับพวกนี้จะเป็นธรรมที่เป็นเครื่องกลางกั้นไม่ให้ธรรมะของเราเจริญ ไม่ให้มีสมาธิไม่ให้มีสมาธิออันนี้ก็เหมือนกับว่าถ้าเราทำได้ได้ไม่มีเสริมเสียสําหรับชาคริยานธรรมเพราะพระพุธ อ, องตัดไปแล้วถูกต้องก็ไปพิจารณาเอานะคะว่าท่านจะแบ่งเวลาอย่างไรถ้าคิดว่าจะมุ่งมั่นจะทําความเพียรจะมุ่งไปข้างหน้าให้เร็วที่สุดอยากกราบเรียนถามท่านนะคะเทีาบานว่าเราตัดตอนมาถึงเรื่องนอนก่อนเนี่ย แต่ว่าดิฉันอยากจะกราบเรียนถา ม, มก็เพิ่งไปอ่านเกี่ยวกับเรื่องของการออกกําลังกายเขาก็จะมีทฤษฎีทฤษฎีล่าสุดที่ได้พบเนี่ยเขาบอกว่าการออกกําลังกายไม่ควรจะออกในตอนเช้าถ้าไม่ได้รับประทานอาหารนะคะเพรา ะ, ะมันจะทําให้ไปดึงอาหารจากตับมาใช้ตับก็จะไม่ดีอันนี้ข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งเขาก็บอกว่าการออกกําลังกายเนี่ยเมื่ อ, อออกเสร็จแล้ว ควรจะนอนพักผ่อนอืไม่อย่างนั้นแล้วร่างกายจะไม่สร้างกล้ามเนื้อเขาก็บอกว่าควรจะไปออกตอนเย็นอันนี้เป็นเรื่องออกกําลังกายนะคะเดอทีนี้ออกกําลังจิตอย่างที่เราเชิญชวนท่านทั้งหลายให้ปฏิบัติสมาธิกันอยู่นะคะท่านคะเวลาไหนดีที่สุดคะเวลาที่จะออกกําลังจิตได้ดีที่สุดเนี่ยอนุมาว่าเป็นเวลาที่เรามีจิตนั่นแหละในเวลาที่เรามีจิตเวลาที่เรามีสติอยู่กับจิตนั่นแหละเป็นเวลาที่เราจะออกกําลังจิตได้ดีที่สุดเลย คือหมายความว่อมันจะได้ทุกเวลาเพราะงั้นนะะได้ทุกเวลาเมื่อไห ร, ร, ร่เราเลิกได้เนี่นะเมื่อไหร่ที่เรามีสตินั่นนะ่ะคือเวลาที่ออกกําลังจิตเลยอเพราะว่าจิตมันไม่มีข้อจํากัดแบบกายไงเรื่องว่าเมตาบอลิซึมก็ตามเรื่องที่ว่าต้องเผาผลาญอาหารหรือว่า Recovery เนี่ยมันไม่มีข้อจํากัดตรงนีน้มันมีข้อจํากัดอยู่ตรงที่ว่ามีคุณธรรมอะไรที่จะให้จิตมันตั้งขึ้นได้นี่นั่นคือสติไง เราะลึกได้เมื่อไหร่วะเฮ้ยจิตฉันมีอยู่นะเอางั้นคุณออกกําลังสติได้เลยออกกำลังจิตได้เล ย, ค, ยค่ะคือมันใช่เลยสติ<อ>เกิดขึ้นทันดีเลยไม่เหมือนกับการออกกําลังกายนะค ะ, อ, ะอันนี้ออกได้ตลอดเวลาที่มีจิตจดูต้องเจริญบานวันนี้ก็ได้ความกระจ่างเยอะเลยนะคะจากคําถามของท่านผู้ฟังของเราที่ได้สอบถามมาเกี่ยวกับเรื่องของตัวเองแต่เราก็สามารถนำเอามาเป็นประโยชน์กับทุกๆุ ก, ท, กท่านได้ขอขอบคุณ ผู้ถามนะคะคือคุณชานิดาค่ะคุณชานิดาไว้ในโอกาสนี้แล้วก็นมัส ก, การขอบพระคุณพระอาจารย์ภพบูลอภิปุลโนโด้วยค่ะมนมันส ก, การค่ะค่ะทานฝั่ ง, งค่ะนั่นคึอพระมาหาภับูลอภิปุลโนนะคะวัดป่าดอนไฮโซจังหวัดอุดรธานีและดิฉันสานสินีนาพงศ์นะคะสําหรับรายการที่จะมาพบกับท่านก็ทุกวันพระหัสบดีและวันศุกร์นะคะในส่วที่ดิฉันจะร่วมสนทนาแต่นอกเหนือจากนั้นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ พระมหาภบุพรอภิปุโนท่านมาพบกับท่านฟังกันตลอดเลยความรู้ของพระพุทธเจ้ารู้แล้วนำไปปฏิบัตินะคะก็จะเหมือนกับว่าอยู่กับพระธรรมของพระองค์เท่ากับได้อยู่กับพระพุทธองค์เพราะตรัสไว้ว่าในการร่วมไปแห่งพระองค์ท่านธรรมกับวินัยเนะคะ่ะจะเป็นศาสดาของพวกเราเสมือนอยู่เฉพาะพระพักเลยนะคะถ้ารับเอาธรรมท่านไปสู่การปฏิบัติ ติดตามรัะฟังรายการกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้พุทธ ว, ส, วสดีค่ะ